คิดกรอกคำพูดลงไปชนิดไม่หายใจเงียบไปครู่หนึ่งดอเตอร์สแตลีก็ตอบลงมาด้วยน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นประหลาดใจว่าแปลกแปลกที่สุดเลยมาตรวัดตัวเลขเป็นศูนย์ไม่มีกรรันิาาพพาเหลืออยู่อีกเลยมาตรวัดก็ไม่ได้เสียนะทดสอบแล้วยังสามารถทำงานได้ตามป ก, กติทุกอย่าง ได้ยังไงคริสติน่าร้องแหลมกระชากวิทยุจากมือของคีตไปทันทีอาการของหล่อนขณะนี้แทบจะเป็นปกติแล้วจากสภาพที่ร่ำเร่ใกล้จะสลบเมื่อครูน่นี้เสียงของหล่อนรัวเร็วอาจารย์อาจารย์แน่ใจเหรอว่าเครื่องไม่ได้ชํารุดอ่ะแน่ใจสิไม่ชํารุดเราตรวจสอบเครื่องมือได้และกําลังตรวจสอบอยู่เดี๋ยวนี้ด้วย ไฟสัญญาณทุกประเภทมาตรอัตราอื่นๆทั้งงานปกติแต่ไม่ชี้บอกในด้านรังสีของกรมันประภาพเลยเป็นศูนย์จริงๆแล้วบรรยากาศบนนี้ขณะ น, นี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นพิษใดๆทั้งสิ่งเพียงแต่ว่ามีกระแสลมพัดเย็นแรงแล้วก็มีสภาพเหมือนจะเป็นลมหมุนนะ่ะขาดประโยคสุดท้ายของหัวหน้าคณะทางด้านล่าง ก็สัมผัสได้กระเสียงวีดวิวของลมประหลาดลักษณะทาท่าคล้ายจะเป็นพายุม้วนตัวหมุนลงมาสัมผัสผิวกายเย็นเชียบผิด ป, ปกติทิวสนแม้แต่ยอดย่้าม้วนหมุนไปหมดตามกระแสลมหมุนในลักษณะม้วนตัวนั้นเม็ดดำจากเบื้องบนเองก็ปรากฏให้เห็นชัดถึงอาการหมุนชนิดทีบางแสงตะวันไว้หมดสิ้น ตัดพื้นสลือลงไปอีกราวกับมันเป็นเวลาใกล้ขั้ม ท, ทั้งทั้งที่ขณะนั้นมันเป็นเวลาเพี่ยงตฟ้ายัางคงลั่นคลืน่นพลันอยู่เช่นนั้นแต่ก็ยังแวววูมาแต่ไกลสังเกตเห็นรอยทางลุยไหมไปทางทุ่งหญ้าไหมคะบางเห็นมันมีเปลวไฟติดอยู่ตอนที่เราพบมันครั้งแรกเมื่อสิบนาทีที่ผ่านมาคริสถามโดยเร็วต่อไป ทุกคนเงี่ยหูฟังคำตอบและบุญคำซึ่งตอนนี้เกิดจะเป็นปกติเรียบร้อยดีเท่าๆกับคริสติน่าก็ชะโงกหน้าเข้ามาใกล้คอยส ก, กิดให้เชิดวุฒิไปให้แกฟังตลอดว่าทั้งสองฝ่ายโต้อตอบกันยังไงเห็นสิเห็นชัดทีเดียวแต่แปลว่าที่ลุกติดน่ะไอ้แต่เปลวที่ลุกติดน่ะตอนนี้มันดับหมดแล้วละ่ะมีแต่รอยไหม้ดำเป็นขี้เท่าเท่านั้น แต่เราไม่เห็นระพินนะแม้แต่ร่องรอยของเขาสักนิดหนึ่งก็ไม่มีสำหรับเป้าหมายตัวการสำคัญที่ระพินกับเธอแล้วก็บุญคำห็นไม่อยู่ตรงไหนอ่ะบนชะ ง, ง่อนหินไม่สูงมากนะักยืมประมาณสามสิบองศาซ้ายมือของริมทางที่เดินกันมาใช่ป่าเป็นลักษณะชะ ง, ง่อนแรกของภูเขาหินล้วนหรือเปล่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะตาแหน่งนั่นแหละที่มันขึ้นไปหมอบอยู่พอเราหันไปพบ ก็ชะเง้อคอขึ้นการโต้อตอบอย่างฉับไวระหว่างนี้เป็นระหว่างคริสติน่ากับสแตลลีเท่านั้นทั้งนั้นก็ถูกต้องอะเพราะมองเห็นได้ง่ายอยู่แล้วจากรอยไหมเป็นทางเห็นชัดขึ้นไปที่นั่นห่างไม่มากเลยอะขอเวลาสักอึดใจนะฉันกำลังใช้กล้องสองทางไกล ส, สำรวจดูทุกคน่ส่ข้างล่างเงียบกริบรอคอยอยู่อย่างกระวนกระวายใจ ประมาณสองสามอึดใจเสียงสแตนลีก็ดังต้องออกมาจากเครื่องรับส่งชนิดมือถืออีกครั้งเห็นแล้วเห็นแน่นอนแล้วว่าตำแหน่งนั้นแน่จากรอยไมมเป็นเส้นทางขึ้นไปนั่นแต่ตอนนี้เราไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอันตรายนั่นหรือตัวพลานใหญ่ของเราเราสามคนตัดสินใจกันว่าจะเดินตามรอยเข้าไปด้วยทุกระยะ ทุกคนรออยู่ก่อนแล้วก็ฟังข่าวมีอะไรคืบหน้าจะบอกมาทุกระยะนะคริสติน่าหันขวับมามองพักพวกที่รวมกลุ่มกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคีตเบลเชิดวุฒจัน์และบุญคันอันเป็นกลุ่มที่เข้ามารุมล้อมเครื่องวิทยุรับส่งอยู่ในขณะนั้นส่วนพวกลูกหาบนั่งหูพึง่งจับเจ้ากันอยู่เป็นกระจุกสีหน้าของตละคนไม่อาจบรรยายได้ถูก มันเต็มไปด้วยความพร่านใจหวาสยองและพิษวงสงสัยกันไปหมดนอกเหนือไปกว่านั้นคือความกระสับกระส่ายคุณค่พอจะมีแรงไหมล้วย้อนกลับขึ้นไปสมทบกับพวกนั้นอีกครั้งเถอะตะพฟานเท่าพยักหน้าขยับจะลุกขึ้นยืนอย่างว่องไวแต่ทั้งคิดและเบนตะครุบไหลบุคคลทั้งสองไวคนละคนกดให้นั่งลงตามเดิมโน หมอเบนร้องสั่งเฉียบขาดสั่นสีสัทั้งสองคนไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปเป็นอันขาดนอกจากพักอยู่ที่นี่ไม่ตายลุกขึ้นมานั่งได้นี่นะมันโชคดีเท่าไหร่แล้วนี่ยังจะย้อนกลับขึ้นไปอีกเหรอแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สั่งให้ใครตามขึ้นไปถึงเชิดรุกกับคี้ก็เหมือนกันไม่ต้องตามขึ้นไปเราฟังข่าวอยู่ที่นี่แหละอาจารย์ก็รู้ดีว่าควรจะตามไปได้แค่ไหน ยังไงเขาก็เป็นหัวหน้าเราและทุกอย่างเขาก็ชำนาญกับพวกเราทั้งนั้นในเรื่องกำมันตาภาพรังสีบทจะถึงคราวคัดขันจงเป็นขึ้นมาจริงๆอิสเบงก็เป็นคนมีเหตุผลและตัดสินใจได้ดีเยี่ยมคนหนึ่งคำพูดของหล่อนทำให้ทุกคนแม้กระทั่งเชิดบุตรคีดและจันที่กำลังมีความคิดว่าจะย้อนกลับขึ้นไปสมทบกับฝ่ายของสแตนลีย์ต้องระงับ ชงักงันอยู่แค่นั้นแต่ก็อยู่ในสภาพกระสับกระส่ายเต็มทีเบนสั่งให้คริสติน่าดมออกซิเจนต่อไปและลงนอนนิ่งๆิ่งไปก่อนแต่อีกฝ่ายไม่ยอมบอกว่าบัตรนี้ตัวเองบรรเทาลงเกือบจะเป็นปกติ ด, ดีแล้วเหลือไว้แต่ความเป็นห่วงบุคคลทั้งสที่บุกตามขึ้นไปและพรานนำทางสําคัญซึ่งสภาพของเขาบัตรนี้เหมือนจะสูญหายไปจากโลกนี้แล้ว อย่างอัศจรรย์ที่สุดขณะ น, นี้เรากำลังเดินตามเส้นทางเลื้อยของสัตว์ประหลาดไปเสียงด็อร์สแตนลีย์รายงานมาเป็นระยะระดับน้ำเสียงห้าวตันเป็นปกติลงแสดงว่าระงับจิตใจได้ไม่ลุกลนเหมือนแต่แรกเกิดกระเสยยืนยันว่ามีร่องรอยของรบพินเดินไปตามเส้นทางเลื้อยนี่สวนเข้าหาเป้าหมาย เป็นรอยเท้าเคลื่อนไหวไปอย่างมั่นคงที่สุดและไม่มีวัตถุสิ่งของใดของเขาตกหล่นอยู่เลยระวังตัวขีสุดนะบ๊อบแล้วมันสังเกตมากวัดไว้ทุกระยะถ้ามันขึ้นตัวเลขบอกอัตรากรรมันตภาคอันตรายขึ้นแม้แต่นิดเดียวให้หยุดทันทีคิดบอกขึ้นไปแล้วเบนก็บอกไปอีกคนว่าแลวให้สังเกตอาการของตัวเองด้วยนะ ถ้ารู้สึกผิดปกติเปิดอาการคลื่นเหียนวิงเวียนหรืออ่อนเปียผิดปกติใดๆก็ให้หยุดแค่นั้นแล้วก็ถอยเร็วที่สุดเออไม่ต้องห่วงเสียงสแตนลีย์บอกมาบุญคำทนความทุรนทุรายร้อนใจอยู่ไม่ไหวขออนุญาตพูดวิทยุบ้างเบนจิงบอกให้คิดซึ่ง ร, รมวิทยุอยู่ในมือส่งไปให้แต่เท่าพูดทันที ในห้างบอบในห้างบอบมีบุญคำพูดนะได้ยินว่ายัางไงบุญคำขอบุญคำพูดกับไอ้สองคนนั่นนอยเกิดฤเสิร์ตก็ได้โอเคเสียงหัวหน้าคณะตอบและไม่ถึงอีกใจก็มีเสียงของเกิดแวววออกมาว่าไงบุงคำนี่เกิดพูดนะ เองสองคนกำลังเอานายห่างบอบเดินตามรอยไหมเป็นทางเข้าไปรึใช่แล้วลุงกำลังเดินสวนรอยเข้าไปรอยของนายเดินเข้าไปก่อนนะคงจะหลังจากที่ลุงพามแมนคริสแล่นลงเนินไปแล้วนั่นแหละรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวมั่งหรือเปล่าะ่ะไม่มีอะไรเลยนี่ลุงสบายมากลมเย็นดีซะอีก ชุมช่มฉ่ำเหลือเกินไม่ร้อนเลยแต่ลมสิมันมันมันแรงขึ้นทุกทีนี่ฟังข้านะทั้งสองคนนั่นแหละแกสั่งช้าๆถ้าเห็นตัวพญานาคเฉยไว้อย่าวิ่งอย่ายิงถ้าเห็นนายที่ไหนในลักษณะไหนก็ตามให้ดูเฉยๆก่อน ดูห่างๆสักสามสีวาอย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งทักดูงายเงียบเงียบไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปแต่ต้องตัวทั้งนั้นจําไว้น ะ, ะตกลงลงุงแต่ทําไม่พบนายหรือไม่พบพญายนากคจะทํำยังไงอลุงถ้าไม่พบอะไรเลยให้พานายห้างบ๊บกลับลงมาก่อนแล้วหารือกันอีกทีนึง เจ้ายังไงคอยว่ากันทีหลังเชื่อข้าเหอะเข้าไปถึงชะง่อนหินน่าจะพบนายเองนายต้องอยู่แถวๆถวนันแหละการพูดวิทยุยุติลงชั่วแค่นั้นบัดนี้พักพวกทุกคนฝ่ายข้างล่างพากันนั่งกอดเขา่ามองหน้ากันเองไปมาไม่มีอะไรจะทำได้มากไปกว่านี้ นอกจากรอฟังข่าวเท่านั้นเชิดวุฒิสกิดข่าวบุญคำกระซิบถามว่านี่ลุงลุงทำไมลุงเรียกในตัวไฟนั่นพญานะว่าพญานาค่ะสมุนขวาของระพินซึ่งยังหน้าเซียวเผือดเหมือนศพกระเดือกน้ำลายฝืดฝืดลงคอกระซิบแหบๆตอบนายทหารทำไมใช่พญานาคแล้วมันจะตัวอะไรล่ะ รูปร่างหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงก็ตามอย่างที่เราเห็นแต่ฤทธเดชขนาดนี้ไม่ใช่พญานาคแล้วมันจะตัวอะไรเล่าเล่าถือเคล็ดกันตามหลักของพรานป่าเรียกเขาว่าในทางดีก่อนจะเป็นมงคลกับตัวเราเองขนาดนายยังเรียกพญานาคเลยแม้ว่าพระธุดงที่มีชานสูงจะเรียกว่าสางหาก็เถอะที่เรากําลังพบอยู่นี่มันไม่ใช่สัตว์แล้วละนาย แต่มันเป็นอิทธิวทิ์ของสิ่งที่มันเหนือชั้นโลกธรรมดาที่เราอาศัยกันอยู่นายทหารไม่เคยผ่านเส้นทางมืดบริเวณนี้มาก่อนก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกมันสวดมนต์ภาวานาเข้าไวเ้เถอะมากันคราวก่อนผูกบุญค้ำยังไม่เคยพบก็เพิ่งจะพบครั้งนี้แหละทาไมโชคดีที่สุดก็สุดบรมสวยแหละเสียงสุดท้ายของแก แผบหายเข้าไปในลำคอแทบจะฟังไม่ได้สักฉันเป็นห่วงกับพินเหมือนกันลูกเชิดวุฒิคลางแผวเบาภายหลังจัดเอาสร้อยพระเครื่องขึ้นมาจบบูชาเหนือศีษะอาราธนาเสร็จโอ้เดี๋ยวว่าแต่นายทหารเลยไอ้คำก็ห่วงแต่บุญคำแน่ใจเกินครึ่งว่านายจะต้องแก้ตกนายน่ะเป็นคนมีวิชา มีสัตย์จะเป็นเครื่องยึดเหนียวมีสิ่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นคอยอุ ป, ปถัมภ์คุ้มครองอยู่ขณะที่เครื่องมืออะไรของแมมคริสดังลัน่นออดอดไปหมดไฟบนหนาปาดแทนที่จะกระพริบเป็นสีเขียวกลับกลายเป็นสีส้มสว่างอยู่วูบูตัวบุญคำก็แมมคริสเองนะ่ะแสบร้อนไปหมดทั้งตัวเวียนหัว อ, อ้วกกันถับตายยังเห็นกขายืนเฉย เลืสั่งให้บุญคำเอาแม่มคริสแล่นหนีลงมาหนียังแสบๆร้อนๆผิวอยู่เลยนะนายทหารแ่ชี้ไปที่แขนและใบหน้าตัวเองแต่ก็ยังชั่วขึ้นมากแล้วตอนที่แม่มเบลขีดยาให้เอ้ฉันสงสัยนะว่าทำไมเขาถึงไม่วิทยุส่งข่าวอะไรมาที่เราเลยเชิดบุตรคลางออกมาเหมือนรำพึงมันก็คงกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ละ นายคงจะต้องใช้สมาธิอำนาจจิตและสายเวท่ที่แกร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่ไอ้จะมาโมวพูดวิทยุอยู่มันไม่ได้รอกไอ้แบบนี้ถ้าจิตไม่เที่ยงวอกแวกแม้แต่นิดเดียวไม่แต่ตายอย่างเดียวเท่านั้นแหละตายอย่างชนิดที่เราอาจคนไม่พบศพด้วยหน้านายทหารนายทหารหนุ่มนั่งคอตกในลักษณะตะลึงเหมือนตกอยู่ในสภาพความฝัน คิดกลายเป็นใบไปชั่วขนาดจ้องตาเบิกโพรงอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ม่านเมฆสีดำกำลังหมุนราวกระบอกพระการแลดูหน้าสะพึงกลัวยิ่งนักพร้อมกับพายุที่พัดฮือเย็นยะเยือกเบนนั้นหรือคนหีบเครื่องเวชพันง่วนอยู่คนเดียวประเรียมสำหรับงานเยียวยาโดยวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในขั้นมนุษย์ ข้าวขึ้นสู่โลกแห่งอวกาศได้แล้วส่วนคริสติน่าเอนหลังพิงต้นสมมือทั้งสองประสานกันอยู่บนสวงอกดวงตาหลับสนิทริมฝีปากนั้นขมุบขมิดเหมือนจะสวดท่องคำพีทางศาสนาของหล่อนซึ่งในชีวิตหล่อนคงไม่ได้ทำบ่อยนัก122ย ในทันทีที่ออกคำสั่งเฉียบขาดให้บุญคำนำคริสติน่าเพนตตเลดิดหนีแยกซ้ายมือออกนอกเส้นทางและให้ลงเนินบนเส้นทางด่านอันเดินตามร่องรอยไม้เกรียมนั้นมาตลอดรพินไพรวันระหนักแน่ว่านณะบัดนี้ถึงวาระและ้วที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับมหันตภัยตามลําพังอย่างโดดเดี่ยว ตนเองจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรขึ้นอยู่กับบาปบุญกุศลแต่หนหลังแต่ก่อนอื่นขอให้คนอื่นๆภายใต้าการพิทักษ์ดูแลของเขาปลอดภัยหรือถ้าหากว่าจะมีอันเป็นเช่นไรนั่นต้องแปลว่าเขาหาชีวิตไม่แล้วเท่านั้นพญามัจยุราชมองเห็นอยู่ทนโท้ไม่ห่างไกลออกไปนักบนชะ ง, ง่อนแง่หิน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 และพบข้ากับร่องรอยสดส ด, สดร้อนๆอนนั้นจอมพลานไม่ได้เหลียวกลับมาดูอีกเลยว่าบัดนี้บุญคำนำคริสตินาเพนไปถึงไหนแล้วหน้าของเขาหันเผชิญกับสิ่งมหัศจรรย์บนชะง่อนหินอันไม่ห่างออกไปนะักสำรวจสติสะกดปลานลงแนวนิ่งแล้วภาวนาในทันที สารังเทติทะสาเรติอมตังปัะทสารถีวิยะสาเรติสารธันตังนามานิหังพระองค์ ทรงประทานสารธรรมแก่สัพพสัตว์พระองค์นำสัพพสัตว์ให้ไปสู่ทางแห่งอมตะพระองค์นำสัพพสัตว์ให้แล่นไปดุจสารผีพระองค์ทรงฝึกฝนในธรรมะเป็นสารข้า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 ฉโลมผ่านกายฉันนั้นลมหายใจที่รู้สึกอึดอัดขัดข้องก็สะดวกและอากาศบริสุทธิ์ขึ้นในฉับพลัน <c oughs> เปลวไฟที่ติดอยู่บนยอดหญ้าลุกวอมแวมเป็นทิวไปตลอดนั้นโซมลงในบัดดลเช่นกันแม้ว่าจะไม่ถึงกระดับมอดสนิทคงเหลือแต่กลุ่มควันเท่านั้น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 ดวงจิตไม่วอกแวกแม้แต่น้อยโดยเดินเลี่ยงขนานไปกับเส้นทางที่มันเลื้อยเป็นเส้นไฟไปให้เห็นชัดนั้นใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปตามลาดับผ่านป่าหินที่งอกอยู่ประรายสองฝั่งทางแล้วเนินสูงสูงต่ำาๆเป็นลอนระลอกตามสภาพของภูมิประเทศนั้นกระทั่ง ในที่สุดก็ามาหยุดยืนประจานหน้าโดยเขายืนนิ่งอยู่เบื้องต่ำห่างจากตำแหน่งที่สิ่งนั้นพังงาดราอยู่บนแง่หินอันมีระดับสูงขึ้นไปเพียงแค่เจ็ดแปดเมตรเท่านั้นเองมองหินกันได้ถนัดตาเหลือเกินในระยะใกล้ๆระหว่างมรุตยูผู้มีอนุภาคทำลายล้างเหนือสัมสัก ที่เขาเคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตกับมนุษย์ผู้มีอาชีพเป็นมักคุเทศนำทางตัวกระจ้อยร่อยชัดเจนกว่าภาพที่เห็นเมื่อคืนนี้มากนักจะมีอะไรที่น่าเกลียดน่าสะพึงกลัวเท่าในรูปลักษณ์ของสัตว์ประหลาดนั้นสองตาเขียวดุดดวงมรกตของมันก็คำมินจ้องมาที่เขา พร้อมกับปลายลิ้นสองแฉกที่พุ่งแปลปลาบออกมาเป็นระยะราวกับสายฟ้าแลบจอมพลานค่อยคสุดกายลงคุกเข่าอย่างสงบวางไรเฟิลประจำมือไว้ข้างข้างกายสองมือยกขึ้นพนมจรดอกกระทรรมอาการสักการะแล้วหลับตาลง ทันทีที่เปลือกตาของเขาปิดสนิทบนชะง่อนหินตำแหน่งนั้นแทนที่จะเป็นภาพของสัตว์ประหลาดในขุมโลกันอันน่าสะพึงกลัวที่สุดณนะบัดนี้แม้จะคุมสติมั่นไว้ก่อนแล้วรพินก็แทบั ง, งะดารุณีแน่งน้อยนานหนึ่งยืนกอดอกพิงแงหินตอนนั้น เอียงคอพร้อมกับยิ้มน้อยๆมาที่เขาเนื้อศีรษะประดับไว้ด้วยมงกุฎแก้วระยิบระยับเป็นรูปนาคราชสองหัวเกี่ยวไข่กันวงพักลักนางามพริ้มเผาเนื้อนางมนุษย์ในโลกของภูมิศาสตร์ชวีกายเป็นสีชมพูเรื่อและแดงปลั่งที่ริมฝีปากอิ่มเต็มประดุดกรีบกระจับแย้มเยืน เห็นไรฟันขาวสะอาดปานมุกลำคอระหงประดับซับซ้อนไปด้วยสังวานเพชรตาบทิพทับสวงล้วนสกาวาวาวัดไปด้วยอั ญ, ญมณีล้ำค่าปวงทนิมพิมพาพรรวมทั้งอาพรที่ครองร่างอยู่สง่างามบรรเจิดวิจิตเกินกว่านางใดในพิภพโลกสุดที่จะพัฒ น, นาได้ และเขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแม้ในภาพวาดจากจินตนาการของจิตรกรคนใดทางสิ่งเป็นลักษณะของเทวนารีปรากฏตนขึ้นแทนที่ภาพสัตว์ ร, ร้ายอันแสนจะดูน่าเกลียดน่ากลัวเหลือประมาณท้องฟ้าเบื้องบนมืดครึมไปหมดแล้วแต่เฉพาะตำแหน่งที่นางยืนพิงโขดหินทอดสายตายิ้มยิ้ม ลับมาที่เขาสว่างพร่างพลายด้วยรัศมีทองอารามเรืองรองพรานเสียงหวานใสาปานระคังแก้วเอ่ยทักทายมาเป็นกันเองที่สุดพรานท่านน่าจะเป็นนักธรรมยุศตบุรุษมากกว่าจะมาเป็นพรานไพรนะ เก่งนี่เก่งเกินสภาพของพรานป่าไปมากทีเดียวที่สามารถป้องกันแก้อาถันต่างๆได้ด้วยอัฐคาถาชั้นสูงแห่งพระสากะยาเจ้าผู้จัดสรู้แล้วรู้ใช่ัหมว่าเรากำลังแบกรอพบอยู่ มหาเทวีข้าพระองค์รู้แต่เพียงว่าพระองค์ทรงเมตตานำทางมาให้โดยตลอดแต่ก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะพบพระองค์ดักรอคอยอยู่พร้อมทั้งยาวหยอกด้วยการลองริบ <c oughs> ดารุณีผู้มีศีรษ์อันงดงามหัวเราะเบา ก็ต้องลองดูกันมั่งสิท่านเก่งนักไม่ใช่เหรอพรานเมื่อคืนก็พบกันแล้วครั้งหนึ่งอยากจะย้าให้มากกว่านั้นซะด้วยซ้าแต่เวทนามนุษย์ที่มีสัจจะเป็นอาภรณ์ซึ่งหาได้ยากนะว่าจะถ้อยคําของนางผู้นั้นเป็นไปอย่างปกติธรรมดา เหมือนสาวน้อยนางมนุษย์ธรรมดาทุกอย่างเนตรงามทั้งคู่ศาสตร์ประกายวาวหวานละคนไปกับความสุขสนและท้าทายน้อยๆเอ่ยต่อมากลางวานวิเวกอยู่ในประสาทส่วนที่จะสัมเหนียกได้ของเขาวา่าไหนลองเทศให้ฟั ง, <า>งอีก<า>สักบท <ด S 1> สิ ถ้าถูกใจก็จะเปิดทางให้ถ้าฟังแล้วไม่เข้าท่าก็จะแผ่ริษให้แก่เอาเองเลนะเวทมนต์คาถาเดรยรฉานวิชาก็ร่ำเรียนมามากไม่ใช่เหรอจึงกำแหงหานกล้าฟ่าเข้ามาในดินแดนที่มนุษย์กิเลสหนายากนักที่จะผ่านเข้ามาและจะรอดชีวิตออกไปได้ถ้าแต่พระเทวี ถ้าพระองค์ก็ไม่ได้กำแหงหารถือตัวว่ามีวิชาใดๆทั้งสิ้นที่เสียงเข้ามานี่ก็หวังความเมตตาจากเทพยดาฟ้าดินในทุกชั้นเพราะความจำเป็นอันเสียงไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะลองดีกับสิ่งเหนือโลกใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องป้องกันตัวหากกระทำการใดๆของข้าเป็นที่ไม่พอพระทยัย ริรงเห็นว่าเป็นการบังอาจก็ปลดรับการสมาโทษด้วยอะบอกไว้เทศให้ฟังอีกสักบทถ้าถูกใจป่าในละแวกนี้ก็จะเปิดสำหรับท่านไงนางพยักหน้าบอกยํามายังพายยิ้มอยู่เช่นนั้นก็ถ้าไม่ถูกพระไทยล่ะ ถ้าไม่ถูกใจก็เจ้าตัวลงไปเลี้ยงไว้ดูเล่นในบาดาลอาณาจักรของเราดีไม่เอ่ยน้ำเสียงนั้นสัพพยอยาวพระองค์คือใครอรู้ดีอยู่แล้วนี่จะมาถานทำไมนาคเทวีราชธิดาแห่งนาคราช ใช่ไหมพระเจ้าค่ะคิ้วงามข้างหนึ่งเลิกที่นิดๆเบื่อหน้าปลายมองด้วยหางตาคมปราบเห็นไหมก็รู้จักดีอยู่แล้วนี่ลูกไม้มากนักนะพรานเราไม่ใช่สตรีผมทองหรือสตรีผมแดงที่มากับท่านด้วยเรก จะได้มาทำสีหน้าซื่อๆโง่ๆหลอกเล่นได้โดยง่ายนะแต่ก็เป็นอิทธิเพศเหมือนกันพระเจ้าค่ะผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละไม่จะไม่ว่าจะเป็นเพศพัน์ไหนอ้าวอย่าปากมากนะประเดี๋ยวเหอะประเดี๋ยก็ยืดตัวใช่เท่านั้นแหละมารู้ว่าเราเป็นอิทธิเพศก็ต่อเมื่อเห็นเราเดี๋ยวนี้ใช่ไหมละ่ะ ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้รก็ไม่ทรงปรากฏกายแท้จริงให้เห็นใชตั้งแต่เมื่อคือนนี้พระเจ้กค่ะค่ะพระองค์ก็เลยนึกไปไม่ถึงนะสิออกงามเยี่ยมเหยียบสามโลกไม่น่าเลยที่จะปรากฏวรากายในสภาพที่น่าสะพึงกลัวเช่นนั้นฮึไม่มีวันชะละจะไม่มีใครเห็นสภาพแท้จริงของเราหรอกนอกจากพระโสดาบันเท่านั้น นักบวชที่อ้าวว่ามีชาญนชั้นสูงยังรู้จักเราในนามอันไม่เป็นมงคลหูต่อตัวเราหรือผู้ได้ยินเลยฮ <h> เรียกเราว่าสางหางงจะบอกให้ก็ได้พระธุดง์ที่ว่าเก่งๆน่ะหมดไม้ละลายเป็นขี้เท้าไปหลายองค์แล้วแค่ผิดศีลม่เพียงข้อเดียวในชั้นมนุษย์เดินดินธรรมดาก็อาจจะมีท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นหรอกนะ ที่มีโอกาสได้เห็นกายจึิงของเราแล้วก็อย่าได้ปริปา ก, ปปากเปิดเผยอะไรออกไปกับใครอีกละ่ะกระหม่อมขอถาวายสัจจะในข้อนี้พระเจ้าค่ะจะชักช้าสิเราไม่มีเวลามากนักนะอุตสาห์มารอคอยอยู่นี่ก็ดีเท่าไหร่แล้วอะว่าไงตามเงื่อนไขของเรา สติให้ดีท่านจะพานเราไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่ปรีชาฌานของท่านเท่านั้นแหละแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นมิตรกับมนุษย์ผู้แสงจะเหม็นสาบไปด้วยกองกิเลสนะเสียงนั้นเริ่มแข็งกร้าวขึ้นวิเวเจติ อาธรรมาวิจิตตวาธรรมเทศนังวิเวกจิตติจิตจตโตโยวิทิตะานังนามามิหังพระองค์ทรงสงบสงัดจากสัตตะธรรม พระองค์ทรงแสดงธรรมอันวิจิตพระองค์ทรงมีพระหารุยไทยตั้งมั่นในความวิเวกพระองค์ทรงเป็นผู้รู้แจ้งข้าขอนมัสการรอยยิ้มปรากฏขึ้นอีกครั้ง บนริมฝีปากรูปงามนั้นไม่เลวบอกแล้วนี่ว่าน่าจะเป็นนักธรรมมากกว่าพรานป่าท่านทําให้ศัตรูบังเกิดความเมตตาจิตขึ้นได้เป็นนั้นว่าเราพอใจเอาละจะเปิดทางให้จงบ่ายหน้าลงไปทางด้านล่างที่ท่านสั่งให้คนของท่านลงไปรวมตัวกันอยู่ก่อนนั่นเถอะ บ่ายหน้าลงไป e ทางตะวัน kind, alum, ตก uzu, labels, แค่ไม่ทันเหนื่อยก็จะพบกระบึงใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์กับสะโบกรณีที่ท voilà ่านหลอกแม่สาวผมทองคุณนั้นไว้ยังไงล่ะมัน <AM มีอยู่จริงทางด้านนั้นแหละสำหรับเราลาก่อนลาก่อนพราน กล่าวจบในขณะที่ชี้มือบอกทิศดรุณีผู้งามดุดภาพนิมิตนั้นหมุนตัวกลับจะเดินรับเหลี่ยมหินไปแต่ก็ต้องชะงักเอี้ยวกลับมามองเมื่อรบพินร้องทักมาว่าเดี๋ยวก่อนมาหาเทวีมีอะไรอีกล่ะพราน ยังไม่ได้รับคำขอบพระทัยจากมนุษย์ผู้ต่ำต้อยนี้เลยพระเจ้าค่ะดารุณีโสพิษอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆออกมาอีกอก็ขอบใจส<จ>ิซซหน้ากเทวีพระเจ้าค่ะทำไมเหรอสวยจัง นี่อย่าเกี้ยวลูกสาวพญานาคนะปราะเดี๋ยวเดือดร้อนจะหาว่าไม่เตือนเดือดร้อนยังไงพระเจ้าค่ะก็เอาตัวคนฝีปากดีลงบดานไปซะด้วยนะสิอยากให้ทำอย่างนั้นเหรอไม่ล่ะพระเจ้าค่ะอันเชิญเสด็จเถิดและขอได้โปรดถอนพิษร้ายที่แพร่กระจายอยู่ในละแวกนี้ รวมทั้งที่ซึมเข้าไปในร่างกายของพวกข้าพระองค์กลับคืนไปด้วยเถิดตกลงจะถอนให้ก่อนเสด็จจากข้าพระองค์อยากจะขอพรถ้าพอจะมีให้ได้บ้างท่านพรานเราไม่มีพรอะไรให้แกมนุษย์ที่รู้แล้วคงแก่เรียนแล้วอย่างท่านรอก จงรักษาความดีงานที่ท่านมีอยู่ไว้ให้มั่นคงตลอดไปก็แล้วกันสัจจะสัตธธรรมแล้วก็โน่นน่ะพวกท่านขึ้นมาตามแล้วประเดี๋ยวเขาก็คงเดินมาพ บ, าพบท่านหรอกเราไปแล้วนะพร้อมๆกับประโยคสุดท้ายสิริลักษณ์อันงามเลิศนั้นก็ลับหายเลี่ยมหินผาไป ในทันทีเกิดและเสยนำอเมริกันหัวหน้าคณะเดินเลาะลัดมาตามบริเวณนอหินที่ขึ้นอยู่เป็นโด่งนั้นใกล้ตำแหน่งชะง่อนอันสูงเด่นที่กำหนดเ ป, นเป็นเป้าหมายไว้เข้ามาทุกขณะร่องรอยการเลื้อยไปของพญามัจยุราชชี้บอกไว้ทุกระยะจะแจ้งโดยไม่ต้องเกรงว่าจะผิดทิศทาง เพราะเห็นรอยไหม้ดำเกรียมเป็นทางไปตลอดสแตนลีย์ใช้มาตรวัดกรมมันตาภาพที่เก็บได้จากตำแหน่งที่คริสทำตกไว้ตรวจสอบทุกระยะคงพบตัวเลขเป็นศูนย์หรือไม่มีรังสีกรมมันตาภาพปรากฏบอกไว้ในมาตรวัดนั้นเลยซึ่งเป็นเรื่องที่เขางุนงงประหลาดใจไปหมดพรลับหนอหินสูงใหญ่ลูกหนึ่งซึ่งบังอยู่เบื้องหน้า ทั้งสามก็หยุดชะงักกึกลงพร้อมกันเบื่อหน้าบนเนินหญ้าใต้ชะงอนหินใหญ่ตำแหน่งที่หมายตาไว้ก่อนแล้วทุกคนเห็นร่างของจอมพรานผู้เป็นตัวปริศนาสูญหายไปอย่างปราศจากวิแววในความรู้สึกของพักพวกทุกคนนั่งคุกเข่าอยู่ในลักษณะอันสงบมือทั้งสองประสานกันอยู่ในระหว่างทรวงอก เหมือนจะสวดภาวนาอะไรอยู่ดวงตาทั้งสองปิดสนิทไรเฟิลคู่มือวางอยู่ข้างๆกายไม่มีร่องรอยว่แววของสิ่งอื่นใดอีกทั้งสิ้นนอกจากตัวของเขาลำพังคนเดียวเท่านั้นในลักษณะเหมือนจะสงบจิตเข้าพิธีกรรมอะไรอยู่แตนลีลืมตากว้างอย่างยินดีขยับจะอ้าปากตะโกนเรียก เพราะระยะที่โผลโออกไปพบเห็นกันนั้นห่างแค่ไม่เกิน2ี่เมตรเท่านั้นเฉยรู้ทันในอาการรีบตะครุบแขนไว้ก่อนพางกระซิบเฉยไว้นายอย่าเพิ่งเรียกนายหรือเอะอะอะไรทั้งนั้นเฝ้าดูเฉยๆก่อนอเมริกันอาวุโสของคณะจึงชะงักหยุดยืนนิ่งทั้งเกิดและเรยเองก็ยืนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นเช่นกัน นั่นเขาทำอะไรอยู่นะสแตนลีย์กระซิบถามอย่างแปลกใจขีดสุดระคนตื่นเต้นยินดีที่เห็นระพินในลักษณะที่แม้จะมองดูอยู่ห่างๆก็พอจะดูออกจากอาการว่าไม่น่าจะเกิดภัยอันตรายใดๆขึ้นอย่างที่คิดระแวงไว้แต่แรกทั้งสองพรานเด็กหนุ่มที่นำทางเสี่ยงตายขึ้นมาด้วยไม่ตอบยืนนิ่งมองจับไปที่ร่างของเจ้านาย อันมองเห็นอยู่เบื้องหน้าเฉยสตลลีขยับจะเคลื่อนกายเข้าไปช้าๆแต่ทั้งสองช่วยกันรั้งแขนไว้ใส่หน้าเป็นความหมายยังไม่ยอมให้เข้าไปใกล้หัวหน้าคณะจึงต้องยืนเฝ้าจับดูอยู่ตรงตำแหน่งที่โปรออกมาพบนั้นประมาณแค่สองนาทีเท่านั้นที่ทั้งสามโปรออกมาหเห็นท้องฟ้าอันโอลวลนดูมืดคลุม ก็เริ่มเปิดโล่งสว่างขึ้นเป็นลำดับอย่างรวดเร็วลมแรงเบื้องบนพัดหมู่เมฆดำทะมึนให้กระจัดกระจายไปทางด้านใต้ยอย่างรวดเร็วลําแสงตะวันอ่อนเรืองแผลเป็นรัศมีลอดหมู่เมฆดำเหล่านั้นสาดสว่างลงมาทั้งสามผู้เฝ้าจับตาดูขมแขงอยู่เห็นระพินเริ่มไหวไกายชะช้าเหมือนคนที่พผล ออกจากสมาธิยกมือทั้งสองที่พนมอยู่ขึ้นรูปใบหน้าเสยขึ้นบนศีรษะจากนั้นก็เอื้อมมือคว้าไรเฟินอันวางอยู่ใกล้ๆพร้อมทั้งลุกขึ้นยืนด้วยอาการปกติหันกลับมายังทั้งสามผู้กำลังยืนจ้องดูอาการของเขาก่อนแล้วเหมือนจะรู้ตัวหยู่ก่อนด้วยสีหน้าเรียบปกติจอมพรานทามือเป็นสัญญาณ กำหนดให้ทั้งสามยืนคอยอยู่ที่เดิมตัวเองออกก้าวดุมดุมเดินสวนตรงเข้ามาหาทันทีกระพินเมื่อนั้นสเตนลีจึงหลุดปากอุทานเรียกออกไปอย่างตื่นเต้นจ้องขเขมงและไม่กี่อึดใจรานใหญ่ก็เดินเข้ามาถึงพร้อมกับยิ้มแกล้ ง, ลงให้นิดหนึ่งเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเ อ, อ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงปกติว่า พวเราทุกคนเรียบร้อยดีอะครับโดยเฉพาะคริสตบุญคำอะพบบพบผมผมพูดอะไรไม่ถูกแลยนะรพินสเตลีพูดออกมาแทบฟังไม่เป็นภาษาคนเพราะอยู่ในการสำลักปราดเข้ามาจับแขนทั้งสองของเขาและสำรวจมองไปหมดทุกส่วนของร่างกายพร้อมทั้งเขย่าตัวอยู่เช่นนั้นมันมันมันอะไรกันนี่คุณ พวกเราเป็นห่วงคุณเท็บแย่ผมกับเด็กสองคนนี่เสี่ยงตามขึ้นมาค้นหาคุณแล้วก็พบคุณนั่งภาวนาอะไรอยู่ตรงนี้มันมันมันไปไหนแล้วไอ้ตัวมหาพลายนั่นเขาก็ไปตามทางของเขาสิครับส่วนเราก็จะไปตามทางของเรารับรองได้ว่าจะไม่มีอันตรายใดๆอีกแล้วสำหรับสิ่งประหลาดชนิดนั้นนี่คุณ ทำไมคุณไม่พูดอะไรให้มันฟังแล้วรู้เรื่องมากกว่านี้อ่ะเสียงของอเมริกันหัวหน้าคณะแทบจะเป็นตะโกนขณะที่เขย่าวแขนเขาอยู่โดยแรงเช่นนั้นผมก็ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรให้คุณหรือพวกคุณเข้าใจอะไรได้มากไปกว่านี้อ่ะคุณมีมาตรวัดกำมันตภาพรังสีติดมือมาด้วยหรือเปล่าผมเองก็ไม่ชำนาญในเครื่องมือชนิดนั้น น, นนะตรวจสอบดูสิครับ ว่าขนาะนี้ r a d ร a t i o n s u r v เ y ม e เต r มันบอกอัตรารังสีเท่าไหร่ในบริเวณที่เรายืนกันอยู่นี่ประโยคหลังเขาย้อนถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบสแตลลีย์ยกมากวัดขึ้นมาดูอีกครั้งขณะที่ถือส่องไปรอบรอบกายซีรษศูนย์ไม่มีรังสีอันตรายใดๆเหลืออยู่อีกเลยเขาร้องออกมา กระพินสูตรลมหายใจถอดหมวกที่ครอบศีรษะอยู่ตบกระขากางเกงขอบคุณพระเจ้านั่นแปลว่าเราไม่มีอันตรายอะไรอีกแล้วในด้านพิษร้ายที่ตัวมหาสัรย์นั่นปโปรยทิ้งไว้แทบจะตลอดทางที่เราเดินตามเข้ามาและการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคริสกับบุญคำผมก็เข้าใจว่าป่านนี้คงจะหายไปแล้วเช่นกันสองคนนั่น ครั้งแรกมีการแย่มากนะขณะที่ผมสั่งให้พละถอยแล่นหนีแยกลงไปเพื่อไปสมทบกับพวกคุณโดยเร็วอะระหว่างที่ผมบ่ายหน้ามาที่นี่รับพินผมไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจจริงๆสตาลีตะโกนก้องอยู่เช่นนั้นจ้องหน้าเขาเหมือนจะเห็นเป็นตัวประหลาดที่สุด บางสิ่งบางอย่างในนรกดำแห่งนี้มันก็ยากที่จะเข้าใจได้แล้วก็หาบทพิสูจน์ไม่ได้ซะด้วยสิให้ผมอธิบายชนิดที่ผมพอจะอธิบายได้ก็แล้วกันครับสิงหมหาสจรรัจจันต์อันมีลักษณะเป็นสัตว์ประหลาดน่าสะพึงกลัวและมีพิษร้ายจากต่อมพิษในตัวที่เราเดินตามรอยเข้ามาโดยตลอดตนนั้นเขาได้มาดักพวกเราทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับ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 ผมเองในครั้งแรกที่มาดวัดชี้บอกอัตราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเริ่นเกลนตอนนั้นผมก็แทบลมทั้งยืนเหมือนกันแต่ผมก็มีสิ่งที่จะสกัดกั้นบรนเทาได้ด้วยตัวของผมเองหรือจะพูดว่าผมมีภูมิต้านทานได้มากกว่าคริสหรือบุญคำก็ได้ผมจึงไม่เกิดอันตรายใดๆขึ้นในตอนนั้นแล้วก็ได้ใช้อํานาจจิตที่พอจะมีอยู่บ้างด้วยการหมั่นฝึกฝน มันอาจจะเป็นศาสตร์ลี้ลับของพวกตะวันออกซึ่งยากที่พวกคุณจะเข้าใจได้ผมเดินตรงเข้าไปยังตำแหน่งที่เห็นสิ่งประหลาดมีอำนาจชนิดนั้นดักรอคอยอยู่ผมตั้งจิตอธิษฐานว่าผมไม่เคยมีเวรภัยใดๆกับเขามาก่อนไม่คิดที่จะต่อต้านหรือทำอันตรายใดๆเขาและเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรกับผมหรือพวกเราทุกคนเลย เมื่อคลื่นทางกระแสจิตเราตรงกันเราก็ต่างฝ่ายต่างแยกทางกันเขาก็ผละจากไปอย่างสงบในขณะที่ผมนั่งเข้าสมาธิภาวนาอยู่ก็แค่นั้นแหะครับเท่าที่ผมจะอธิบายให้คุณหรือพวกคุณทราบได้และก็ขอขอบคุณที่มีความกล้าหาญเหลือเกินอุตส่าห์กล้าบุกขึ้นมาตามผมแต่ถึงแม้จะไม่ขึ้นมาตามผมก็กําลังจะลงไปสมทบอยู่แล้วล่ะ อเมริกันเอาโโสร้าปากค้างมองดูเขาด้วยสายตาตะลึ ง, งันพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขนาดนึง่งเขาไม่สามารถจะเข้าใจในความลึกลับของมั ก, กุเทศนำทางผู้นี้จริงๆมันเป็นสิ่งลี้ลับยิ่งกว่าสุดรปรมาณูซะอีก ส, สำหรับเกิดและเสยไม่มีปฏิกิริยาแสดงความประหลาดใจอะไรทั้งสิน้นสายตาที่แลมายังเจ้านาย แสดงความปีติยินดีประการเดียวเท่านั้นขณะนั้นเองวิทยุมือถือในมือของสตาลีก็ดังขึ้นเบาๆพระเจ้าของรีเสียงไว้เป็นเสียงของคิดที่ถามอย่างกระวนกระวายใจขึ้นมาเฮ้บอบตอนนี้อยู่ที่ไหนตามรอยไปถึงไหนแล้วพบวีแววของรพินบ้างไหมแต่เห็นท่าไม่ดียังไงก็อย่างที่บอก ถอยก่อนนะสเตลียังคงพูดไม่ออกอยู่เช่นนั้นยกวิทยุในมือขึ้นมาดูแล้วมองหน้าเขาสลับกันอยู่เช่นนั้นเมื่อ น, นั้นเองรพินก็เอื้อมมือมาฉวยวิทยุของสแตนลีกรอกคําพูดด้วยเสียงปกติของเขาลงไปช้าๆว่าหวังว่าทุกคนคงจําเสียงผมได้นะครับขณะนี้เราทั้งหมด หมายถึงด็อเตอร์สแตนลีย์เกิดเชย์แล้วก็ผมยืนกันอยู่ใกล้ๆชะ ง, ง่อนหินอันเป็นตำแหน่งที่เราเห็นเป้าหมายครั้งแรกเรากำลังจะกลับลงไปสมทบกับพวกคุณทุกคนภายในเวลาไม่เกินสิบห้ายี่สิบนาทีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนนี้เรียบร้อยดีที่สุดแล้วครับขาดเสียงพูดของเขาเท่านั้น เสียงฟังแทบไม่ได้สับก็ดังแ่ออกมาจากวิทยุมือถืออันหมายถึงว่าพักพวกที่รอคอยฟังข่าวอยู่ข้างล่างตรงป่าสนแย่งกันพูดจนสับสนจำแนกไม่ถูกว่าใครเป็นใครดูมันโวยวายอึงอ้นไปหมดสําหรับพวกข้างล่างนั้นไม่ได้ยินเสียงของเขาที่พูดลงไปมีเสียงเรียกนามของเขาซ้ําแล้วซ้ําอีกบางก็เรียกนามของหัวหน้าคณะเหมือนจะไม่มีใครเชื่อหูตัวเอง แล้แทรกมาจากเสียงนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงของบุญคำที่ตะโกนเอ็ดอึงมาว่าชายโยชายโยนายกูยังอยู่เว้ยนายกูไม่เป็นอะไรนั่นเสียงของนายานั่นเดีจริงเว้ยต่อมาในเวลาติดต่อกันนั่นเองเสียงคิดและเบนก็แววเรียดด็อร์สแตลลี่มาอีก เหมือนจะต้องการทดสอบให้แน่ใจที่สุดรพินจึงคืนวิทยุเครื่องนั้นไปให้เจ้าของและปลดของตัวเองที่เหน็บเอวขึ้นมาอยู่เปิดรับฟังทุกคนฟังนี่ฉันสแตนลีพูดที่ได้ยินมื่อกี่หยกหยกอะ่ะเป็นเสียงของรพินถูกต้องแล้วเราพบเขาแล้วในสภาพที่ปลอดภยัยเรียบร้อยดีที่สุดเกินคาดคิด ขณะนี้เรากำลังรวมกลุ่มกันอยู่และสิ่งที่เขารายงานลงไปก็ถูกต้องทุกประการไม่มีใครหูฝาดไปหรอกไม่ต้องสงสัยว่าคำพูดของสเตนลีย์จะสร้างความตื่นเต้นยินดีให้แก่คณะพักที่รอคอยฟังข่าวกันอยู่ข้างล่างซักเพียงใดแล้วไอตัวมหาปาลาไหลนั่นไปไหนแล้วล่ะคะอาจารย์แล้วเกิดอะไรกระพรานของเรา เสียงที่พูดรัวเร็วแต่ชัดเจนในคราวนี้จำได้ว่าเป็นเสียงของคริสติน่ามันไม่ได้อยู่ในละแวกใกล้เคียงอีกแล้วล ะ, ละแต่จะไปไหนน่ะเราไม่รู้ขณะที่เราตามมาเราพบระพินกำลังนั่งทำสมาธิอยู่ใต้ชะง่อนหินตำแหน่งที่เธอกระ บ, บุญคำรายงานว่าพบสัตว์ประหลาดดักอยู่นั่นแหละไม่มีร่องรอยอันตรายใดๆเกิดกับเขา ไม่มีวิ่แววว่ามันเคลื่อนย้ายหายไปทางไหนและทุกอย่างก็ยังเป็นความลี้ลับสําหรับในความรู้สึกของฉันอยู่เช่นกันราพินเพิ่งจะแผลาจากสมาธิของเขาและเข้ามาพูดจา ก, กับฉันเดี๋ยวนี้เองบางทีรายละเอียดอะไรที่พวกเราต้องการรู้เขาอาจจะบอกเราได้มากกว่าที่บอกกับฉันมาแล้วหลังจากที่เราทั้งหมดลงไปสมทบกันข้างล่าง หัวหน้าคณะพูดอย่างไม่หายหมึนหมึนงงงตาก็ยังจ้องอยู่ที่ระพินเช่นเดิมก่อนอื่นสังเกตว่ดมัดอีกครั้งนะคะอาจารย์หืมาัสัจจันมากมันเป็นศูนย์ไม่มีกรรมันตภาพรังสีอะไรหลงเหลืออยู่เลยไม่ว่าจะเป็นรอยเลื้อยเป็นทางไหมของมันหรือที่ร่างกายของระพินเองไพวัน เราขอได้ยินเสียงของคุณอีกครั้งเถอะเสียงของเบลและคริสดูเหมือนจะดังขึ้นพร้อมกันฮัลโห t ท o ยังเ g ladies are you okay very quite well ma'am การตอบโต้เป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลัน Oh thanks God please let us know what going on บัตรนั่นเองก็มีเสียงบุญคําตะโกนโว้กโวยมาว่าโวยฟุตฟิตฟอร์ไฟจังไรอัปรีพูดไทยกันที่โวยไอคำจะได้ฟังรู้เรื่องมากงไอฝรั่งพวกนี้นี่ไอคำชักมีน้ำโหกันมามั่งแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพะพูดภาษาผีตองเหลืองให้บ้างถึงนะคริสกระพินกรอกคำพูดลงไปแต่คราวนี้พูดไทยฉันกาลังฟังคุณอยู่ คุณกัเบลช่วยกันตบปากบุญคำสักคนละทีผมอนุญาตอ้าวอ้าวอ้าวชีพหายแล้วที่นายกูใจแม่มตบปากกูซะแล้วเสียงตาคำบ่นลั่นมาระพินคุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเสียงเบลถามขึ้นมาอีกโดยไม่สนใจคำพูดของเขาหรือบุญคำแน่ใจสิไม่ต้องห่วงหรอก ขอให้คุณปวดดูสภาพของคริสกะตะคาเถอะทั้งสองคนขณะนี้รู้สึกดีขึ้นมากแล้วหรือยังเพราะเท่าที่ผมเห็นครั้งแรกสองคนเกือบหมดสติไปแล้วทั้งคริสและบุญคาตอนนี้แทบจะเรียกว่าปกติดีแล้วล่ะคุณเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรกับคุณมั่งขณะที่คุณเผชิญหน้ากับษัตว์อันตรายสุดยอดนตามลพาพังก่อนที่อาจารย์และพรานเด็กหนุ่มสองคนจะไปพบ น้ำเสียงเห้าๆของคิดดังถามผ่านลำพงมาบ้าโชคเข้าข้างผมและพวกเราทุกคนก็แนนคิดไม่มีภัยอันตรายใดๆเกิดกับผมเลยสักอย่างเดียวลักษณะของเขาก็แค่มาดักหน้าสกัดกั้นเราไว้ไม่ให้ตามเขาต่อไปอีกแต่ให้แยกลงไปยังทิศทางที่ผมสั่งให้พวกคุณไปรออยู่นั่นแหละตอนนี้น่ะเขาไปแล้ว อย่าเพิ่งสักถามอะไรผมหรือดรสแตนลีย์ตอนนี้เลยเรากำลังจะลงมาเดี๋ยวนี้แล้วล่ะคุณพี่ลงไห้เร็วที่สุดนะพวกเราร้อนใจเหลือเกินแล้วก็กำลังรออยู่เสียงสุดท้ายเป็นเสียงของเชิดบุตรจอมพรานพยักหน้ากับหัวหน้าคณะแล้วทั้งสี่คนก็เริ่มออกเดินทางย้อนรอย กลับมายัางไหลทางของเนินบริเวณนั้นทันทีระพินเดินกอดคอเกิดและเสยพรานเด็กหนุ่มผู้เป็นสองในสีของพรานคู่ชีพของเขามาด้วยพรางตบศีรษะทั้งสองเบาๆอย่างรักใคร่ไว้วางใจขีดสุดเมื่อถึงตำแหน่งที่คริสและบุญคำทำสิ่งของจำเป็นพลัดตกอยู่ก็ช่วยกันเก็บจนหมดสิ้นโดยเฉพาะไรเฟิลของบุญคา และ M16 แบบคอมมานโดของคริสซึ่งตกอยู่ริมทางก่อนที่ทั้งสองจะเห็นลงไปยังพื้นอันเทลาดของเนินหญ้าในลักษณะแทบจะควบคุมสติไว้ไม่ได้ระหว่างที่เดินรวมกลุ่มกันมาโดยการตัดทางตัดการติดต่อกับพวกอเมริกันเบื้องล่างและเชิดบุชชั่วขนะดเสียงตัดพานเท่าก็เรียกวิทยุขึ้นมาอีกแต่คราวนี้แกพูดกระเรียง นายนอยบอกไอ้คำไม่หายสงสัยสักนิดเถอะพยานาาใช่เป่าเออไม่มีอะไรจะต้องสงสัยหรอกรู้แล้วก็หุบปากเงียบไปด้วยห้ามคนของเราทุกคนไม่พูดหรือบอกอะไรกันพวกฝรั่งอย่างเด็ดขาดนะพวกเขาจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรกับเราด้วยหรอกเขาจําใจต้องตอบลงไปด้วยภาษาเดียวกันนึกแล้วไม่ผิด แต่ทาทางทีแรกจะเล่นพวกเราไตห่ากันไปหมดนายไปเจรจาอย่างไงก็ถึงได้ยอมเปิดทางยอมถอนพิษให้เฮ้ยอย่าซสือกถามอะไรมากสิตะคาเอาว่าพวกเราตอนนี้นะ่ะปลอดภัยแล้วก็แล้วกันแล้วก็หยุดพูดซะทีพวกฝรั่งเขาไม่ชอบให้เราพูดอะไรกันชนิดที่เขาฟังไม่รู้เรื่องป็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกหรอกระพินตักคอกลงใบเบาๆในไมประจาเครื่องวิทยุจิว เสียงแต่คํายังไม่ไวายบนอึบอิอบอุบอิบแหววมาจากลำโพงวิทยุทุกเครื่องที่เปิดรับติดต่อกันอยู่ในขณะนี้อยูว่าอ้าวก็ทีพวกพวกฝรั่งมันมันพูดฝรั่งไม่ให้ไอ้คารู้เรื่องมากนะเขาเปรียบดีกว่าบุญคําต้องให้ในายทหารช่วยแปลให้ทุกทีไปมันขัดใจไม่ทันใจบางทีแกก็ไม่แปลให้ฟังภาษาไทยพูดกันได้กันด้านไม่พูด ถึงไอ้คำกับไอ้สามคนน่จะเป็นลูกน้องนายก็ควรใจรู้เรื่องอะไรมั่งนะมีอะไรก็ต้องแก้ไขช่วยเหลือกันได้ทันทีไม่ต้องมารอให้ล่างแปลอยู่เออน่ะเออน่ะอย่าบ่นนักเลยตะคำเราก็แหม่มคริสรอตายมาได้กันนะพอบุญขขแล้วตอนนี้เป็นไงมาสบายดีแล้ ว, ลวก็เพิ่งมาสบายหายเป็นปิดทิ้งตอนที่ได้ยินเสียงนายพูดมานี่แหละหาแรกไม่กวานายถูกขยอกกเข้าไปในท้องของพญา น, นาค หรือหม่ก็เป็นขีเทาไปแล้วพันนั้นต่อร้อยเอาหนึ่งนาไม่นึกว่านายจะรอดมาไอ้คำได้อีกเนี่ยนี่ๆๆหุบปากได้แล้วเขาสั่งเป็นประโยคสุดท้ายแล้วปิดเครื่องของตนซะบัดนี้ทั้งสองฝ่ายเริ่มมองเห็นกันแล้วระหว่างฝ่ายหนึ่งสี่คนที่กำลังไต่เนินรับเหลี่ยมหินของทางเดิน ของบริเวณตอนบุญลงมากับกลุ่มที่กำลังเฝ้ารอคอยอยู่เบื้องล่างตรงป่าสนพวกลูกหาบทั้งหมดเห็นระพินโพมาพร้อมกับหัวหน้าคณะและพรานเด็กหนุ่มอีกสองคนที่ตายอีขึ้นไปตามก็โห่ร้องลั่นด้วยความยินดีและฝ่ายเจ้านายทั้งหมดรวมทั้งบุญคำและจันก็พากันลุกขึ้นยืนทั้งหมดสตลลียิ้มแย้มโบกมือให้กับพวกข้างล่างขณะที่พากันไต่เนินลงมา ที่สุดชั่วไม่นานร่างของคนทั้งสี่ที่มองขึ้นไปเห็นตัวขนาดเท่าตุ๊ ก, กตาเล็กๆ ก, ก็เคลื่อนใกล้เข้ามาถึงทมกลางสีหน้าอันแช่มชื่นแจมใสของทุกคนที่กำลังรอรับอยู่แล้วทั้งหมดพรูกันเข้าไปห้อมล้อมทันทีเชิดวุฒเป็นคนแรกที่กระโดดเข้าไปกอดคอรพินไว้อย่างดีใจสุดขีดเสียงผู้จาซักถามแทรกไปหมดรับพินปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอเมริกันอาวุโส อธิบายให้แก่พักพวกฟังว่าไปพบเห็นเขาที่ไหนในสภาพอย่างไรตัวเองมองสำรวจไปยังบุญคำและคริสติน่าก่อนทุกคนเมื่อเห็นว่าทั้งสองอยู่ในสภา พ, พี่ปกติเรียบร้อยดีแทบไม่เหลือร่องรอยของความอิดโรยสะบักสะบอมจากรังสีอันเต็มไปด้วยพิดร้ายก็รู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้นแล้วมองสำรวจไปยังพวกลูกหบทุกคนซึ่งอยู่ครบจานวนกันทั่วหน้า เราปลอดภัยกันแล้วจากสิ่งอันตรายชนิดนั้นโปรยจะได้มีคำถามเพื่อจะสแสวงหาเหตุและผลจากผมอีกเลยได้ไหมครับผมขอร้องละคขาประกาศกับฝ่ายนายจ้างทุกคนที่พยายามจะตั้งคำถามอันเป็นข้อสงสัยสารพัดชนิดนั้นเอาก็นไหนคุณเคยบอกว่าถ้าลงมาพบกับเราแล้วคุณจะเล่าให้ฟังไงเบียแยงทันทีตามนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ก็ผมอธิบายไม่ได้นะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มากไปกว่าเท่าที่บอกลงมาก่อนแล้วทางวิทยุมัตติกี้เนี่ยป่าที่เราเผชิญอยู่นี่ลึกลับอยู่แล้วคุณยังทำให้เป็นสิ่งลึกลับสำหรับพวกเราอีกเลยระพินพรานใหญ่ถอนใจอย่างหนักใจยิ่งครับใช่ครับป่าที่เรากำลังบุกบั่นมานี่มันลึกลับอยู่แล้ว แต่ถ้าพวกคุณพยายามที่จะค้นหาข้อมูลความเป็นมาของความลึกลับที่เราพบมาแล้วหรือกําลังจะพบต่อไปอีกข้างหน้าพวกคุณก็จะไม่มีทางทํางานที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จลุล่วงไปหรอกเพราะจะมัวติดพันอยู่กับความลึกลับและเสียสติเป็นบ้าไปซะก่อนผมว่าอะไรๆมันก็ผ่านไปแล้วด้วยดีก็ขอให้มันผ่านเลยไปซะเถอะเอาไว้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปทีละเปราะดีกว่านะสําคัญที่สุดก็คือขอให้พวกเราทุกคน รอดและปลอดภัยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคำพูดของเขาทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนนิ่งงันไปนี่อย่าคิ้วเข็นนะเขาต้องตอบอะไรกับเราในสิ่งที่เขาตอบไม่ได้ดีกว่านะสแตลลีเตือนทุกคนขึ้นระพินคุณก็เห็นอยู่แช็ชชัดแล้วนี่ว่าขณะที่มากวัดบอกอัตราขึ้นเป็นร้อยอา ฉันกับบุญคำนะ่ะแทบจะชักดิ้นชักงอกันไปทั้งสองคนแล้วคุณก็ให้บุญคำเอาฉันแล่นหนีลงมาในทันทีคริสติน่าพูดเสียงเบายกมือขึ้นเสรีผมเราสองคนน่ะลงมาถึงที่นี่แล้วก็ยังแทบตายต้องได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินจากเบลกว่าจะค่อยยังชั่วดีขึ้นมาได้ส่วนตัวคุณนะ่ะอยู่ใกล้กับสิ่งอันตรายมากที่สุดซ้ำยังเดินสะกดรอยเข้าไปหา นี่คุณไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายบ้างเลยหรือไงคริสครับถ้าคุณยอมรับความจริงว่าสภาวะทางร่างกายก็ดีสภาวะทางพลังจิตก็ ด, กดีคนเราทุกคนย่อมไม่เหมือนกันคุณก็น่าจะผ่านความสงสัยในข้อนี้ไปได้นะนี่เป็นเรื่องของวิทยศาศาสตร์ส่วนถ้าจะพูดกันไปในด้านมนมืดหรือไสยศาสตร์ ผมนี่มีทั้งมนตราและอาคมตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มตัวอยู่สิ่งที่มันสามารถจะเป็นพิษเป็นภัยสำหรับบุคคลอื่นมันก็จะไม่เกิดผลกับผมถ้าผมไม่มีความสามารถในด้านนี้เป็นพื้นฐานอยู่บ้างผมก็นำทางพวกคุณผ่านเขตนรกดำไม่ได้หรอกและคอมพิวเตอร์ของฝ่ายคุณก็คงจะไม่ดีชื่อผมออกมาในเมื่อคุณป้อนข้อมูลเข้าไปว่า พรานป่าคนใดในภาค พ, พื้นนี้จะเป็นผู้สมควรนําพวกคุณเดินทางมาในครั้งนี้ได้ถ้าพวกคุณจะห่วงผมเปิดห่วงเฉพาะโรคเก่าประจําตัวอันเป็นเหมือนโรคกรำเก่าที่ติดตัวผมมาแต่ไหนแต่ไรเท่านั้นก็พอนั่นคือการจับสันของมา เ, เรียถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นผมช่วยตัวเองไม่ได้ครับ เขาตอบอย่างระมัดระวังและเคร่งขรึมในน้ำเสียงคริสติน่าอึ้งไปอย่างจำนวนถ้างั้นในทัศนะาทางแพทย์ฉันขอตรวจสอบคุณสักนิดได้ไหมไม่เสียเวลาอะไรมากนะักหรอกแค่สามสี่นาทีเท่านั้นแหละเรานไม่กลัวอะไรหรอกถ้าคุณปกติเรียบร้อยดีเหมือนอย่างที่เราเห็นด้วยตาเป ล, ปลา่าๆผัดๆในขณะ น, นี้แต่เรากลัวว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงต่อมา คุณจะล้มลงไปขาดใจตายเฉยๆ เ, เท่านั้นแหละพรานใหญ่เลิกคิ้วขึ้นการตรวจสอบของคุณจะเป็นการช่วยเหลือผมได้เหรอสมมุติว่าถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นละ่ะได้สิเราช่วยคุณได้แน่นอนถ้าเกี่ยวกับเรื่องของกรรมมันธราภาพรังสีอ่ะแลจะใจผมทายังไงละ่ะในการตรวจสอบของคุณถ้างั้นก็ไปที่นั่น นอนลงอิสเบลชี้มือไปยังผ้าพลาสติกที่ปูอยู่และคริสนอนพักเมื่อครู่นี้ระพิงยักษ์ไหล่นิดนึงเดินตรงเข้าไปและซุดตัวลงนอนหงายเหยียดยาวโดยดีหมอเบลตรงเข้าไปทันทีสิ่งแรกที่หลอนทำก็คือใช้เครื่องมืออะไรชนิดหนึง่งเป็นลักษณะเหมือนนาฬิกาพกซึ่งน่าจะเป็นเครื่องตรวจหารังสีเฉพาะในด้านการตรวจรักษา ค่อยๆกวาดผ่านช้าๆจากสีสัะไล่ลงไปจนกระทั่งจรดปลายเท้าเาบาระพินนอนเฉยตาจับมองอยู่ที่สีหน้าของเบลซึ่งแสดงอาการชะงนรหลอนพยายามทำอย่างนั้นถึงสองเที่ยวในขณะที่พักพวกคนอื่นๆเข้ามายืนล้อมวงอยู่ใกล้กๆแล้วพากันเงียบกริบไปหมดตรวจายก็ตรวจได้เบล แต่อย่ถึงได้สั่งให้ผมถอดเสื้อผ้าออกหมดก็แล้วกันเบนไม่สนใจในคำพูดของเขาเริ่มใช้หูฟังจับไปที่สรวงอกของเขาอย่างระมัดระวงังตรวจที่ปะจรตรวจวัดควดามดันเปิดเปลือกตาของเขาขึ้นแล้วใช้ไฟฉายส่องสองสามอึ่งใจต่อมาหมอเบงก็ถอยผละจากเขามองหน้าเฉยมีอาการคอแข็งพูดอะไรไม่ออก นอกจากกระพริบตา